มิลินทะปัญหาอุปมากรถาปัญหาโคระสารวักที่หนึ่งเรื่ององค์แหงลามีเสียงพิลึกประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ามิลินปินธรณีมีพระราชองค์การตรัถามพระนาคเสนต่อไปว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปริชา ที่พระผู้เป็นเจ้าว่าองค์แห่งลามีเสียงพิลึกอย่างหนึ่งนั้นเป็นประการใดพระนาคเกสน จ, จิงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าลานั้นมิได้เลือกที่นอนจะเป็นกองแห่งหยากเกื่อก็ดีเป็นถนนสีแพร่งก็ดีเป็นหัวตะแลงแกงก็ดีที่ประตูบ้านก็ดี กองแกลบก็ดีที่ใดๆไม่ว่าหลานอนได้สิน้นและหลานั้นไม่นอนมากนักและนานนักด้วยยะถามีครุวนาชันใดพระโยคาวจรเจ้าก็ไม่ได้เลือกที่นอนเหมือนกันจะเป็นหญ้าลาดใบไม้ลาดและเตียงต่างอย่างไรไม่ว่าจำมักขันพังปัตถริตวาลาดลงซึ่งจำมักขัน แล้วก็จำวัดมิได้เลือกมหาราชะขอถวายพระพรนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งลายุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระบรมศาสด า, า, สด า, าสตรัสไว้ว่ากลิงฆาลูปมาพิกเวเอตระหิมะมะสาวกาวิหารติอัปปมตาอาตาปิโนปทานัสมิงดังนี้ มีใจความว่าดูราณะภิกษุทั้งหลายอันว่าสาวกแห่งตถาคตนี้ทำกายดุดท่อนไม้ท่อนฟืนมิได้ประมาทเพียงที่จะบรรเทาราคะให้ขาดจากสันดานดังนี้อันหนึ่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็ได้กล่าวไว้ว่าปันลังเกณะนิสันนสะชันนุเกนาภิภวิสติ บาลังภาสุวิหารายะตะหิตัดตัสสะพิกุโนมีความว่าธรรมดาพระโยคาวจรพิกษุจะต้องคูบลังนั่งขัดสมาธิมีสะดือจดเข่าอยู่ไม่ควรจะเห็นแก่ความสบายตั้งภาคเพียนทําจิตให้เป็นสมาธิดังนี้ขอถวายพระพร เรื่ององแห่งไก่ห้าประการพระเจ้ามิรินปิ่นประชาจึงถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาที่พระผู้เป็นเจ้าว่าองแห่งไก่ห้าประการนั้นเป็นดังรเล่าพระนาคเสนจึงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรธรรมดาไก่อย่างเช้ามือดอยู่ ย่อมไม่ลงดินกินอาหารฉันใดพระโยคาวาจรก็เอาเยี่ยงไก่นั้นรุ่งช้าก็กวาดลานพระเจดีตั้งไว้ซึ่งน้ำใช้และน้ำฉันแล้วอาบน้ำชำระซึ่งกายให้บริสุทธิ์แล้วบูชาวไหว้นบเคารพพระเจดีแล้วเที่ยวไหว้พระภิกษุที่เป็นผู้เท่าแล้วก็กลับเข้าสู่สงัดนี้จัดเป็นองค์แห่งไก่เป็นปฐม ปุนะจะปรังประการหนึ่งครั้นลุ่งสว่างแล้วไก่ก็ลงดินเที่ยวหากินฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็ทำฉันนั้นเที่ยวโคจรบินทบาาในโคจรละคำเป็นบ้านที่ตนเคยไปก็ดีมิเคยไปก็ดีดุดไก่อันเที่ยวหากินนั้นนี่จัดเป็นองค์แห่งไก่คำรบสองปุณะจะปรังอีกประการหนึ่ง มหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภานไก่นั้นจะกินอาหารย่อมใช้ตีนเขีย่ยแล้วจิงจิกกินฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็ทำดุดไก่จะฉันจังหันย่อมพิจารณาเสก่อนทุกคำด้วยว่าเนวทวายะณนะมัทนายะณนะมันดานายะณนะวิภูสนายะและภาสุวิหารโร ชาติดังนี้มีความว่ามิบทบาต์นี้เราไม่ได้ฉันเพื่อจะเล่นจำัวเมาและประดับร่างกายให้อ้วนผีสวยงามฉันเพียงจะให้กายอันนี้ดํารงตั้งอยู่จะได้ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปและจะบรรเทาเวทนาเก่าเสียมิให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นและให้กายเป็นไปได้นานเท่านี้ดังนี้นี่แหละ เป็นองค์แห่งไก่คำรบสามยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์ผู้ประเสริฐตรัสไว้ว่ากันตาเรปุตตมังสังวะอัคขสัพพันชนังยถาเอวังอาหาริอาหารังยาปนัตถันนะมุชิโตมีใจความว่าพระโยคาวจรพิกษุ ย่อมพิจารณาเห็นปรากฏเหมือนบุคคลที่บริโภคเนื้อแห่งบุตรในทางกันดาลและเห็นดุดหนึ่งว่าน้ำมันสำหรับหยอดเผาไม่เป็นผู้มัวเมาฉันบินทบาทเพื่อจะให้กายดำรงอยู่สืบชีวิตต่อไปดังนี้ขอถวายพระพรปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบอพิทพระราชสมภาร กุกุโตอันว่าไก่สะจักขุโกถึงจะประกอบด้วยจักสุอันผ่องใสสว่างและดูในกลางวันเห็นได้ถนัดแต่ครั้นถึงเวลาราตรีมืดค่ำลงไก่นั้นก็งวยงงมีตาฝ้ามืดไปดุดตาบอดยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พึงทำเป็นตามืดดุดไก่นั้นจะอยู่ในป่าก็ดี จะเที่ยวไปในโคจราคามคือเที่ยวบินทบาตนั้นก็ดีพึงสำรวมอินทรีย์อย่าได้ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีพึงประพฤติดุดตามืดหูหนักและคนใบไม่พึงถือนิมิตไม่พึงถืออนุพยัญชนะในรูปเป็นต้นว่างามว่าดีมหาราชะ ขอถวายพระพรนี่จัดเป็นองค์แห่งไก่คำรบสี่ยุติด้วยคาถาภาสิทธิ์ที่พระกจายเถระกล่าวไว้ว่าจากคุมั ส, สะยะถาอันโทโสตวาพระิโรยะถาชิวหมัฏะยะถามูโคพระละวาทุพพะโลริวะอัถาอัตเทสมุปปนเนสเยถบุตรสายิกังมีความว่า ธรรมดาพระโยคาวาจรเจ้ามีจักษุอันเห็นก็พึงเป็นตาบอดตามืดมีหูอันได้ยินก็พึงทำกิริยาดูเหมือนคนหูหนวกมีลิ้นเจรจาได้พึงทำดุจเป็นใบมีกำลังเรียวแรงก็พึงทำกิริยาดูเหมือนคนทุกพลภาพครั้นมีเรื่องราวบังเกิดขึ้นก็พึงนอนเสียดังหนึ่งว่ามารดา อันกกลูกให้นอนฉะนั้นดังนี้ขอถวายพระพรปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาไก่ถึงบุคคลจะปาคว้างด้วยไม้ค้อนก้อนดินประการใดจะมิให้ไก่นั้นเข้ารังให้ลืมรังเสียไก่นั้นจะได้ทิ้งรังของตนหาไม่ได้ โยคาวาจรเจ้าก็เหมือนกันจะทำซึ่งจีวรกรรมก็ดีทำซึ่งนาวกรรมก็ดีสำแดงซึ่งอุเทศและปริปุชชาคือเรียนบาลีและอัธกถาก็ดีโยนิโสมณะสิการโณวิชหิตตพโภการกระทำไว้ในใจหนึ่งนึงนั้นท่านไม่พึงละพึงวางเลยรุดไก่อันบุคคลคว้างด้วยหมายค้อนก้อนดิน ก็ไม่ได้ลืมละซึ่งรังของตนนั้นมหาราชะขอถวายพระพรนี่แหละเป็นองค์แห่งไก่คำรบห้ายุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์ผู้ประเส ร, ริฐตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่าโกจิพิกเวพิกุโนโคโจโรสโกเมติโกวิเสย ยที่ทางจัตตารูสติปัฏฐานามีความว่าดูกระภิกสุทั้งหลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นโคจรเป็นที่อยู่ของตนและเป็นอารมณ์ของภิกสุผู้เป็นโยคาวจรก็คือสติปัฏฐานทั้งสี่ประการดังนี้อันหนึ่งและพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็กล่าวไว้ว่ายะถาสัมมโตกุกุโต สกะเคหังนะชาติภักขาภักขังวิชานาติอัตโนวุตติกับปนังตะเทวพุทธปุตเตนะอปปะมาเตนะศาสนังกทาจิณวิเชหิตพังมณสิการะวัตตนังมีความว่าธรรมดาไกาย่ย่อมไม่ทิ้งรังตามวิสัยถือเป็นมั่นคงและไก่นั้น รู้จักสิ่งที่เป็นอาหารและมิใช่อาหารเลี้ยงชีวิตของตนยะถามีครุวนาฉันใดอันว่าพุทธบุตรแห่งพระโลกุุตามาจาร์ก็มิได้ประมาทซึ่งพระาศาสนาที่มีพระพุทธดีกาตรัสไว้และจะได้ละเสียลืมเสียซึ่งมนาสิกานั้นหาไม่ได้ตถาเอวะมีอุปมาเหมือนไก่อันมิได้ลืมรังนั้นดังนี้ ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งกระแตประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสถามต่อไปว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาเฉลิมปราดที่พระผู้เป็นเจ้า ว่าองแห่งกระแตอย่างหนึ่งนั้นเป็นประการใดพระน่าเกษรจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรธรรมดาว่ากระแตเมื่อเห็นศัตรูมาก็พองหางของอัตมาให้ใหญ่สู้รบกับศัตรูนั้นไม่ถอยหนียะถามีขรุวานาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าเมื่อเข้าใกล้ซึ่งกิเลส ก็พึงพองหางกระทําให้ใหญ่กว้างคือตั้งไว้ซึ่งพระสติปัฏฐานสี่สู้รบด้วยกิเลส ท, ทั้งปวงเอวังเอวะมีอุปมาเหมือนกระแตฉะนั้นมหาราชะดูราณะบ่อพิษพระราชสมภาร น, นี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งกระแตยุติด้วยกระแสะเทศนา ที่พระจุลบัรทกเถรเจ้ากล่าวไว้ว่ายะถากิเลสเอุปะคเตสามัญยะคุณวิทังสเสนสติปัฏฐานะนังคุเทนะหันยติโสปุนปุนังมีความว่าเมื่อใดกิเลสอันเครื่องกำจัดสามัญญคุณเข้ามาใกล้พระพุทธบุตรผู้โยคาวาจรเจ้าย่อมสู้รบขับไล่กิเลสเหล่านั้นแล้วแล้วเล่าๆ ด้วยหางกล่าวคือพระสติปัฏฐานดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งแม่เสือเหลืองประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ามิดินปินประชามีพระราชองค์การตรัถามต่อไปว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา ที่พระผู้เป็นเจ้าว่าองค์แห่งแม่เสือเหลืองอันหนึ่งนั้นเป็นประการใดพระนาคเษศจริงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบอพิษผู้มีศักด์อัครกษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาแม่สือเหลืองนั้นย่อมมีคันแต่หนเดียวจะมีบ่อยๆนั้นหาไม่ได้ยะถามีขรุวนาชันใดพระโยคาวจรเจ้า ก็กลัวภายในวัฏฏะสงสารไม่ปรารถนาที่ว่าจะเกิดต่อไปตั้งใจมณสิการว่าจะไม่ถือปฏิสนธิในภพอื่นอีกดังนี้มหาราชะขอถวายพระพ ร, พรนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งแม่เสือเหลืองยุติด้วยกระแสรพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทานิยะโคปาละกะสูตร ในสุตตะนิบาตว่าอุสโภริวะเฉตวาพันธนานีินาโคปูติละตังปทาละยิตตวานาหังปุนะอุเปตสังคภเสร ย, ยังอาทะเจปัทยสิวะัสะเทวมีความว่าธรรมดาโคอุสุภราชอันบุคคลผูกไว้ทำลายเถาวันที่ผูกไว้ให้ขาดหนีไปได้แล้ว มิได้ปรารถนาจะมาสู่ที่ผูกนั้นอีกเล่ามีครุวนาฉันใดเราก็ทำลายกิเลสที่เป็นเครื่องผูกรัดได้แล้วก็มิได้เข้าบังเกิดในคันอีกเลยดูกระวัสเทวะถ้าท่านปรารถนาก็จะได้สำเร็จดังมโนรสดังนี้ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร อ ง, องแห่งพ่อเสือเหลืองสองประการสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสถามต่อไปว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสณผู้ปรีชาที่พระผู้เป็นเจ้าว่าองแห่งพ่อเสือเหลืองสองประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสณจิงถวายพระพรว่ามหาราช ดูราณะบ่พิษผู้ประเสริฐธรรมดาพ่อเสือเหลืองนั้นเร้นซ่อนอยู่ในที่ลับคอยจับกินซึ่งหมู่เนื้อยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พึงซ่องเสพอยู่ในอารัญยิกะประเทศรุกขมูลเสนาสนะซอกคีรีคูหาและพุ่มไม้สุสานะประเทศป่าช้าก่อยากกองฟาง และในอพโพกาดอันแจ้งอันสงัดเป็นที่ปราศจากเสียงสกุลนิกรบำเพ็ญภาวนาไปจนได้ซึ่งวาสีมีความชำนาญในอภิญญาหกเอวะเมวะมีอุปมาดังพ่อเสือเหลืองอันเร้นซ่อนอยู่ในที่ลับคอยจับกินซึ่งเนื้อนั้นมหาราชะขอถวายพระพรนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่ง แห่งพ่อเสือเหลืองยุติด้วยคำอันพระธรรมสังฆาหากะเทระเจ้าทั้งหลายกล่าวไว้ว่ายะถาปิทีปิโกนามะนิลิยตวาคันหติมิเคตะเทวายังพุทธปุตโตยุตตะโยโควิปั ส, สโกอารันยังปวิสิตวานะคันหาติภละมุตตมังมีความว่าอันพ่อเสือเหลือง ซ่อนเร้นอยู่ในที่ลับคอยจับเนื้อกินเป็นภักษายะถามีขรุวนาชันใดพระพุทธบุตรผู้ประกอบความเพียรเรียนวิปั ส, สนาเข้าไปสู่ป่าแล้วย่อมถือเอาซึ่งผลอันล้ำเลิศอุดมได้ตถาเอวะมีอุปมาเหมือนพ่อเสือเหลืองนั้นดังนี้ขอถวายพระพรปุณณจะปรังมหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐประการหนึ่งธรรมดาว่าพ่อเสือเหลืองนั้นเมื่อจับเนื้อถ้าและเนื้อนั้นลม้มลงข้างซ้ายย่อมไม่กินยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็มิได้บริโภคอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดด้วยกายวิญยัตอันจัดเป็นมิจฉาชีวะ ซึ่งสมเด็จพระบรมโลกกาณาศาสดาตริติเตียนและเกิดแต่อเนสนะกรรมต่างๆเอวะเมวะมีอุปมาดังพ่อเสือเหลืองไม่กินเนื้อที่ล้มลงข้างซ้ายฉะนั้นมหาราชขอถวายพระพ ร, พรนี่แหละเป็นองค์แห่งพ่อเสือเหลืองเป็นคำรบสองยุติด้วยคำอันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเจ้ากล่าวไว้ว่า วจีวินยติวิภาราอุปนังมทุปายสังสเจพุตโตพะว ย, ยาหังอาชีโวคระหิตโตมมะยะทิปิเมอันตะคุนังนิคมิตวาพหิจเรเนวะพินเทยะมาชีวังจะชะมโนปิชีวิตังมีความว่าข้าพเจ้าจะได้ฉันมทุปายาต ที่เกิดขึ้นเพราะเปล่งวจีวิญญัตนั้นหาไม่ได้เพราะทว่าจะฉันพึงเป็นผู้มีอาชีวะอันบันดิตพึงติเตียนถึงมากว่าไสจะไหลออกมาภายนอกข้าพเจ้าก็จะสู้เสียสละชีวิตจะไม่ทำลายอาชีวะให้เสียไปเป็นอันขาดดังนี้อันหนึ่งพระอุปเสนวังคันตะบุตรก็ได้กล่าวไว้ว่า ยะทิปิเมอันตะคุณังนิคมิตวาพหิจเรเนวะพินเทยะอาชีวังจริยาหังอเนสนังมีความว่าแม้มาดว่าไส้ของข้าพเจ้าจะไหลออกมาภายนอกข้าพเจ้าจะได้ประพฤติอเนสนะกรรมทำลายอาชีวะนั้นเป็นอันว่าหาไม่ได้ดังนี้ขอถวายพระพร องค์งแห่งเต่าห้าประการสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาที่พระผู้เป็นเจ้าว่าองค์แห่งเต่ามีห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร ผู้เป็นเอกอักรครกษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาเต่านั้นย่อมอาศัยอยู่แต่ในน้ำยะถามีขรุวนาชันใดพระโยคาวะจอนเจ้าก็าแผ่เมตตาจิตอันเยือกเย็นตั้งใจให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งปวงมิได้มีพยาบาทอาฆาตจองเวนสถิตอยู่ในพรหมวิหารปานดังเต่าอันอาศัยอยู่ในน้ำนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งเต่าเป็นปฐมปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรธรรมดาเต่านั้นจมอยู่ในน้ำโผล่ศีรษะขึ้นมาถ้าเห็นอะไรเข้าก็กลับจมลงไปด้วยคิดจะไม่ให้ใครเห็นตนยะถามีขรุวนาชันใดพระโยคาวาจรเจ้า เมื่อกิเลสเข้าใกล้แล้วก็พึงจมลงในกลางศัก์คืออารมณ์ด้วยคิดจะไม่ให้กิเลสเห็นอัตมาเอวะเมวะมีอุปมาเหมือนเต่าอันกลัวคนจะเห็นฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งเต่าคำรบสองปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรอันว่าเต่านั้น ครั้นขึ้นมาจากน้ำแล้วไม่เห็นสัตว์อะไรก็ตากายอยู่ที่ชายตะลิงลาดยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พึงนำจิตออกจากอิริยาบทนั่งนอนและเดินแล้วตากไว้ในส ม, มประทานปานดุดเตา่าตากตัวที่ตลิงลาดนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งเตา่าคำรบสาม ปุณจจะบารังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรธรรมดาเต่าย่อมขุดแผ่นดินลงมุดซ่อนอยู่ในที่อันสงัดยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พึงละเสียซึ่งลาบสการะและคำสันเสริญแล้วพึงเข้าไปอยู่ในปา่าและคีรีคูหาหุบห้วย อันเงียบสงัดเป็นที่วิเวกปานดุดเต่าขุดดินซ่อนตัวอยู่ฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งเต่าคำรบสียุติด้วยคำที่พระอุปเสนวังคันตะบุตรกล่าวไว้ว่าวิวิตังอ ป, ปะนิโคสังภาละมิฆะนิเสวิตังเสเวเสนาสนังพิขุปฏิสันลานะการนามีความว่า ภิษุผู้เป็นโยคาวจรพึงเสพเสนาสนะอันสงัดปราศจากเสียงกึกก้องเป็นที่อยู่อาศัยแห่งภาระมรคกะทั้งหลายเพราะมุ่งหมายจะลีกออกเร้นดังนี้ปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรธรรมดาเต่าเมื่อเที่ยวไปได้เห็นมนุษย์และสัตว์เหล่าใดหรือได้ยินเสียงอันใดอันหนึ่ง ก็หดเข้าซึ่งอวัยวะทั้งห้าคือเท้าสีและศีรษะหนึ่งสเกกปาเลในกระดองของตนมีความขนขวายน้อยหยุดนิ่งอยู่รักษากายของอาตมายะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็นิ่งอยู่ไม่กระทบกระทั่งอารมณ์ทั้งหกประการคือรูปเสียงกลิ่นรส โพธะพระธรรมารม์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดยินดีสำรวมระวังทวารทั้งหกและสะกดไว้ซึ่งใจมีสติสัมปชัญญะรักษาสมณะธรรมของอัตมาอยู่ปานดังเต่าอันรักษากายหดอวัยวะเข้านั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งเต่าคำรบห้ายุติด้วยกระแสพระพุทธดีกา ที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ในกุ ม, มูปมาสูตรสังยุตตนิกายว่ากุมโมวะอังคานิสเกกปาเลสะโมทนังพิกุมโนวิตะเกอนิสิโตอัญญะมเหทยาโนปริน ah ิพุโตนูปวเทยะกันจิมีความว่าภิกษสุผู้เป็นพระยูขาวจร พึงประคองซึ่งใจมิให้ตกอยู่ในวิตกเพราะเป็นผู้ไม่ติดไปด้วยตันหาและทิฏฐิมิได้เบียดเบียนผู้อื่นเป็นผู้ดับสนิทไม่กลัวค่อนขอดติเตียนใครปานดังเต่าอันรักษาตัวหดหัวและเท้าอยู่ในกระดองของตนนั้นดังนั้นขอถวายพระพร เรื่ององค์แห่งปีประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้าวิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสถามต่อไปว่าพันเทนาขาเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานที่พระผู้เป็นเจ้าว่าองค์แห่งปีประการหนึ่งนั้นเป็นอย่างใดเล่าพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบบพิษผู้ประเสริฐธรรมดาปี ย่อมอนุโลมไปตามลมปากที่บุคคลเปล่าไม่ได้แตกแพร่ไปในที่อื่นยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็ปฏิบัติอนุโลมตามนาวังคาสัตตุศาสนาที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งอยู่ในอนวัชกรรมอันสมควรสแสวงหาสมณะธรรมปานดังเสียงปีอันมิได้แตกไปฉะนั้นนี่แหละ เป็นองค์อันหนึ่งแห่งปียุติด้วยคำที่พระลาหุนเถระเจ้ากล่าวไว้ว่านาวังเคชินะวนันอนุโลมยิตวานะสัพพธากับปิเย อ, อนาวชัชชสมิงทัตตวาวายามะทุ ต, ตริงมีความว่าภิกษุผู้โยคาวจรพึ่งอนุโลมในพระพุทธวจนะมีองค์ก้าประการ อย่าให้แตกออกไปทุกวันทุกเวลาตั้งอยู่แต่ในอนวัชกรรมอันเป็นกับปิยะสมควรหาโทษไม่ได้กระทําความเพียนให้พินโยภาะวะยิ่งขึ้นไปดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งแหล่งปืนประการหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าวิรลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสถามต่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานที่พระผู้เป็นเจ้าว่าองค์แห่งแหล่งปืนประการหนึ่งนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระนาคเสนจิงถวายวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชาสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าแหล่งปืนคือรางปืนนั้น ย่อมอนุโลมตามลำปืนตราบเท่าที่สุดปลายปืนไม่ได้ขัดขวางแนบเนียนดียะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พึงปฏิบัติเคารพต่อกันตามที่เป็นพระเถระและภิกษุใหม่หรือปานกลางเร่งคารวะเคารพอย่าให้กระด้างกระเดืองเคืองแค้นพึงอนุโลมดุดรางปืนอันอนุโลมตามลำปืนนั้น นี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งแหล่งปืนยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระบรมโลกระนาเจ้าตรัสไว้ในวิทุระปุณกกะชาดกว่าจาโปวนณุนเมทีรูวังโสวะอนุโลมยังปฏติโลมังนวัตเตยสะสารวะชวตีวเสมีความว่าวงของเราเป็นปรา ประพฤติเป็นอนุโลมเที่ยงตรงดุดรางปืนจะประพฤติเป็นปฏิโลมหาไม่ได้ดุดลูกปืนอันแล่นตรงไปตามรางปืนฉะนั้นดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งกาสองประการสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตร์ มีพระราชะองค์การตรัสถามต่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาที่พระผู้เป็นเจ้าว่าองค์แห่งกามีสองประการนั้นเป็นอย่างไรพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูกระบอบพิษผู้ประเสริฐธรรมดาว่ากาย่อมจะจับอยู่ที่เดียวเหลียวแลไปแลมามีความรังเกียจไปรอบตัวกลัวภัย ยาถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าพึ่งมีสติสำรวมอินทรีรักษาทวารทั้งหกตั้งใจระวังตัวกลัวภัยอย่าให้กิเลสเกิดในทวารทั้งหกได้มีสติรักษาใจกลัวภัยโดยรอบคอบดุดกาฉะนั้นนี่เป็นองค์แห่งกาเป็นปฐมปุณจะประรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะ ขอถวายพระพรธรรมดากาเมื่อได้ของกินสิ่งใดไว้กุณปังวาคือซากศพก็ดีอุดชิดถังวาคืออาหารอันเป็นเดนก็ดีย่อมร้องเรียกญาติของตนให้มากินยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าเมื่อได้ลาบสการะอันเป็นธรรมดาอันตะมะโส โดยอย่างต่ำแต่พอบาทของตนนั้นก็พึงแจกไปแก่เพื่อนพรหมจารีอันมีศีลดุจกาอันร้องเรียกญาติของอัตมาฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งกาคำรบสองยุติด้วยคำอันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเทราเจ้ากล่าวไว้ว่าสเจเมอุปนาเมนติยถาละทังตะปัสสิโน สัพเพสังวิพัตชิตวานะตะโตพุญเชมิภูชนังมีใจความว่าถ้าแลมีทายกทายิกาผู้ประกอบด้วยศรัทธาจะนำเอาอาหารมาถวายแก่ข้าสารีบุตรผู้ประพฤตตปะธรรมนี้ข้าผู้ชื่อว่าสารีบุตรนี้ก็จะแบ่งซึ่งอาหารนั้นแจกจ่ายถวายไปแก่ผู้มีศีลให้ทั่วกัน แล้วจริงจะ บ, บริโภคอาหารต่อภายหลังดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งวานอนสองประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสถามต่อไปว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาที่พระผู้เป็นเจ้าว่าองค์แห่งวานอนมีสองประการนั้นเป็นอย่างไรพระนาคเสนจิงถวายวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาวานอนจะอาศัยอยู่ในที่ใดก็ย่อมอยู่ที่โอกาสต้นไม้ใหญ่ประกอบด้วยกิ่งก้นกานสาขา ที่อาจเร้นซ่อนอยู่ได้เพราะวานอนกลัวภัยยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าจะอยู่ในที่ใดก็พึงดูสะพรมารีประเพณีที่มีกุศลเจตนามีหิริมีศีลและกัลยาณธรรมเป็นพระหูสูตรทรงธรรมกล่าวคำพึงรักควรจะเคารพตามถ้อยคำ ควรจะรู้ด้วยดีและชักชวนให้เกิดอุตสาหะนี่แหละพระโยคาวาจรเจ้าคบหาซึ่งกาลยานามิตรดังนี้ได้แล้วจึงอาศัยอยู่ดุดวานอนอันอาศัยอยู่ที่ไม้ใหญ่ฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งวานอนเป็นปฐมปุณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่าว่าวานอนจะเที่ยวไปในไม้อันใด จะเข้าอยู่ในที่ไม้อันใดครั้นสนธยาย่ำราตรีแล้ววานอนก็นอนอยู่ที่ประเทศต้นไม้นั้นยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าเมื่อเที่ยวเข้าไปในป่าอันใดครั้นย่ำสนธยาราตรีแล้วพึงยืนและเดินจงกรมนั่งนอนจำวัดที่ป่านั้นและมิได้วางเสียซึ่งพระสติปัฏฐาน นี่แหละเป็นองค์แห่งวานอนเป็นคำรบสองยุติด้วยคำที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเจ้ากล่าวไว้ว่าจังกะมันโตปิติดถันโตนิสัตชังสยะเนนวาปะวะเนโสภติพิขุปะวะนันเตวะวันนิโตมีความว่าพระยุคาวจรเจ้าจะยืนก็ดีจะเดินจงกรมก็ดี หรือนั่งนอนก็ดีในป่ากว้างย่อมงามนักหนาภิกษุควรจะชื่นชมยินดีป่าอันกว้างนั้นดังนี้ขอถวายพระพรจบโคระสารวัณ์ที่หนึ่งแต่เพียงนี้ในที่สุดวรน์นี้พระคันธ ร, รัจนาจาร์จัดผูกอุทานคาถากล่าวหัวข้อบทมาติกาที่แสดงมาแล้วข้างต้นนั้นไว้ว่า โระสรจะกุกกุโตกาลันทะโกทีปินิทีปิโกกุมโมวังโสจะจาโปจ่วายโสอาถาม ก, กะตะมีใจความว่าองค์แห่งลามีเสียงอันพิลึกองค์แห่งไก่องค์แห่งกระแตองค์แห่งแม่เสือเหลืององค์แห่งพ่อเสือเหลืององค์แห่งเตาองค์แห่งปีองค์แห่งปืน องแห่งวานอนเหล่านี้ท่านจัดเป็นวักอันหนึ่งดังนี้แล